วรุ่นคนหนึ่งเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ใจร้อนมักจะมองอะไรเนี่ยเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบเห็นคนนั้นคนนี้ก็ว่าคนนั้นเขาไม่ดีอย่างงดไม่ดีอย่างนี้นะไม่มีน้ําใจไม่มีความเอื้อเฟือ้อก็เลยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายวันหนึ่งปู่ก็เลยบอกกับหลานว่าเนี่ย ในป่าเนี่ยนะข้างบ้านเนี่ยมันมีฝูงหิ่งห้อยนะเฉพาะคนที่มีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะมองเห็นและปู่ว่าเธอเนี่ยก็ เ, เป็นคนที่มีสติปัญญานะไม่เกินกำลังนะของเธอที่จะได้เห็นฝูงหิ่งห้อยวัยรุ่นเนี่ยก็สนใจขึ้นมา คืนนั้นก็เลยเข้าป่าไปไปตามหาหิ่งห้อยแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอเจอปู่เนี่ยก็บอกปู่ปู่หลอกผมหรือเปล่าในป่านี่ไม่เห็นมีหิ่งห้อยเลยมีแต่ยุงทั้งนั้นแหละป่าก็ยืนยันว่ามีไม่เชื่อเดี๋ยวคืนนี้ปู่จะพาไป พอตอนงคือเนี่ยไวรุ่นนี่ล้วก็ถือคบไฟนะเข้าไปในป่าพาปู่ไปด้วย mm. เดินนำหน้าเลยแบกพงหญ้าเข้าไปเสร็จ mm. แล้วก็บอกปู่ว่าเนี่ยไม่เห็นมีหิ่งห้อยเลยไหนปู่บอกว่ามีปู่ก็เลยนะเอาคบไฟเนี่ย ดึงมาจากมือของวัยรุ่นจากหลานแล้วก็เอาจุ่มน้ำหลานก็บอกไปดับคบไฟทำไมถ้าไม่มีแสงสว่างเนี่ยจะเห็นอะไรได้ยังไงแล้วผมจะเห็นฝูงหิ่งห้อยเหรอสักพักเนี่ยปรากว่าพอ มันมืดสนิทนะหูวงหินห้อยก็ปรากฏเลยเรียกว่าเต็มไปทั้งเรียกว่ารอบตัวเลยไม่ไวรรุ่นเห็นหิงห้อยก็ดีใจนะโอ้สวยงามแล้นะกวก็เลยพูดมาว่าเนี่ยหุงห้อยมันทำงางมันพึ่งมาล่ะ ปู่ก็บอกว่ามันไม่ใช่พึ่งมามันอยู่ที่นี่ต้องนานแล้วมันอยู่ตลอดแล้วแต่เธอไม่เห็นเองนะเพราะว่าแสงเนี่ยจากคบไฟเนี่ยนะมันทำให้เธอเนี่ยไม่เห็นฝูงหิ่งห้อยปู่เนี่ยต้องการสอนหลานนะว่าในเวลาที่มืดมิดเนี่ยนะ เราจึงจะเห็นหิงห้อยอย่างชัดเจนแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเวลากลางวันหรือมีแสงสว่างหรือสว่างประกายไฟเนี่ยหิงห้อยมีแต่ไม่เห็นอันนี้ปู่กาลังบอกหลาวว่าคนเราเนี่ยในยามที่ชิดมื่นมิตรเนี่ยนะเราจะเห็นความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อของผู้คนเนี่ยได้ชัดเจน คนเราเวลามีความทุกข์นะเราจะไวมากเลยนะต่อความดีความมีน้ำใจของผู้คนคนเวลาที่หิวโหยเนี่ยนะเพียงแค่ใครเนี่ยหยิบยื่นขนมให้หรือข้าวให้เนี่ยโอ้เขมีความสุขมากเขาดีใจมากเลยก็จะซาบซึ้งในน้าใจของคนที่หยิบยื่นอาหารหรือขนมให้ เช่นเดกันคนที่กำลังกระหายน้ำเนี่ยนะถ้าใครหยิบยื่นน้ำเปล่าให้แก้วหนึ่งเขาจะซาบซึ้งรู้สึกสำนึกในบุญคุณของคนคนนั้นมากให้ความมีน้ำใจของคนคนนั้นนี่มันจะปรากฏชัดเจนเลยนะในความรู้สึกของคนที่ผิวข้าวหรือว่ากระหายน้ำ แต่ถ้าเราเนี่ยไม่ถ้าเราท้องอิ่มนะเราไม่หิวน้ำเนี่ยใครหยิบยื่นอะไรให้เราเราก็เฉยเฉยให้ความมีน้ำใจของผู้คนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกหรือเห็นไม่ชัดเจนนะในยามที่เรามีความสุขที่ไม่เห็นเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นมันดึงดูอความสนใจของเราไปเวลาอยู่ในที่โลงที่มีแสงสว่างเนี่ยโอ้ม่มีอะไร ดึงดูดสายตางเราหันไปสนใจอย่างอื่นที่มันดูมีรสชาติมากกว่าความสนุกสนานความเพลิดเพลินคนที่เขามีน้ำใจให้กับเราอาจจะไม่ได้ให้อาหารแต่ว่าให้อย่างอื่นเช่นความเอื้อเฟื้อหรือแม้แต่รอยยิ้มเนี่ยผู้คนจำนวนมากก็ไม่สังเกตนะเพราะว่าไปหลงเพลินกับสิ่งอื่น หลงเพลอความสุขที่มีอยู่รอบตัวแต่เมื่อกระตามที่มีความทุกข์เมืับชีวิตที่มันมืดมิดเนี่ยใ้น้ำใจเนี่ยที่เคยเห็นไม่ชัดเจนเมือ่อแสงยิงห้อยเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความซาบซึง้งนะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในร้านอาหารแล้วก็ขอซื้อ ข้าวเปล่าแม่ค้าก็บอกว่ากับข้าวก็มีนะไม่สั่งด้วยเหรอชายก็นกบอกว่าม่เอาข้าวเปล่าเฉยพอได้ข้าวเปล่าไปก็ไปที่โต๊ะแล้วก็กินแต่ข้าวเปล่าเอาน้ำปลามาเหาะใส่ข้าวเพื่อให้กินได้ แม่ค้าก็รู้แล้วว่านี่คนนี้เขาอยากจนนะเขาไม่มีเงินมีเงินแค่สิบบาทที่ซื้อข้าวเปล่าได้แม่ค้าก็เลยเอากับข้าวอย่างอื่นมาให้ด้วยพร้อมกับน้ําผู้ชาคนนั้นดีใจมากเลยนะแล้วกินจนหมดเลยนะทั้งข้าวทั้งกับข้าวน้ําก็ดื่มหมดเลย พออิ่มแล้วก็เอาจานทั้งหมดเนี่ยนะมายื่นให้แม่ค้าคือช่วยแม่ค้าแทนที่จะมาเก็บจานเก็บโต๊ะเขากนะ็มาช่วยเองเลยเพราะทนไมพอนะกราบเลยนะกราบแม่ค้านะด้วยความซาบซึง้งถ้าชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนร่ำรวยนะไม่หิวอะไรเลยนะ ไอ้ข้าวที่หรือน้ำใจที่แม่ค้านำมามอบให้เนี่ยเขาคงไม่รู้สึกเท่าไหร่มันเหมือนแสงมันเหมือนกับแสงยิงห้อยในเวลากลางวันเห็นอาจจะเห็นก็จริงนะแต่ว่าไม่สนใจหรือบางทีไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่มันดึงดูดความสนใจของเขามากกว่าเพราะกลางวันเนี่ยเห็นอะไรมากมายเยอะแยะหมดความดีของคนบางคนหรือคนที่อยู่รอบตัวเรา บางทีมันก็ถูกบทบังนะด้วยความสนใจที่เรามีให้กับสิ่งอื่นซึ่งบางครั้งก็ไม่ใช่อะไรหรอกขนะ้ อ, อความในโทรศัพท์มือถือนะคนที่ไปจดจ่อแต่ข้ อ, อความโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียหนังเพลงก็จะไม่รู้สึกถึงน้ำใจไมตรีของคนรอบข้างที่อาจเขาอาจจะยิ้มให้นะแต่ถ้าเกิดว่าลำบากยากจนเมื่อไหร่เนี่ยอย่างเช่นชายคนที่ว่านี่ ถิวไม่มีอะไรกินเลยเพียงแค่ได้กับข้าวนะราคาก็ไม่เท่าไหร่นะยี่สิบาทสาสิบาทพวกแกซาบซึ้งมากมันท่วมทนใจเลยนะน้ำใจของของแม่ค้ามันท่วมท้นใจของเขาเลยตจนเขาก้มลงกราบเลยไม่ใช่แคาคนเวลาหิวนะบางทีคนที่อาจจะตกเครื่องบินหรือว่า ไปถึงที่พักแล้วมันสายไม่มีที่พักไม่รู้จะหาที่พักที่ไหนดึกแล้วพอมีคนเอื้อเฟือ้อแม้เพียงเล็กน้อยนี่เขาก็ทราบซึ้งมากนะพอทราบซึง้งมันทําให้รู้สึกมนุษย์เรานี่ก็มีความเอื้อเฟื้อกันนะเกิดความรู้สึกศรัทธาในเพื่อนมนุษย์ความดีแม้เพียงเล็กน้อยนีย่มันก็สามารถที่จะชุบชื้หล่อเลี้ยงจิตใจของคนที่ทุกข์นี่ยให้ สดชื่นได้นะแต่ถ้าคนเราในยามที่มีความสุขนะมันจะไม่ค่อยรู้สึกรับรู้ถึงความดีความมีน้ำใจเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ว่าเห็นถ้าจะเห็นก็เห็นแต่ความไม่ดีของคนนั้นคนนี้นะเพราะบางทีแสงสว่างมันสว่างมากจนกระทั่งเราเห็นรายละเอียดเห็นตำหนินะของสิ่งต่างๆรวมทั้งของผู้คนด้วยแต่ลืมไปว่าคนเรามันก็มี ด้านดีมีด้านบวกมีน้ำใจมีความเอื้อเฟือ้อแต่มองไม่เห็นนะเพราะว่าสายตามันไปอยู่กับตำหนิหรือว่าด้านไม่ดีของคนรอบข้างต่อเมื่อเจอหรืออยู่ในความทุกข์ในชีวิมืดมิดนั่นแหละนะถึงจะรับรู้ได้ถึงจะไวนะต่อความมีน้ำใจความเอื้อเฟือ้อเพราะฉะนั้นคนเราเวลามีความทุกข์นี่มันก็มีข้อดีนะมันทาให้เราสัมผัสรับรู้ถึงความดีของผู้คนได้มากขึ้น โนะดยเพราะความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อนะถ้าเราสังเกตรเราก็จะเห็นนะ